พระธรรมเทศนาแผนที่109าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอยู่กับปัจจุบันด้วยความดีพระเวนสาราที่ ได้มอบหมายให้ดูศาลาให้ดูมอเตอร์ไซค์นะแตเป็นมนุษย์หน้าไหนก็าตามนะมันจะเป็นใครก็าตามนะอ่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะเข้าไปข้างในต้องดูอย่าให้มอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในมาถึงศ า, าลาให้หยุดมีอะไรไม่จําเป็นมากน้อยแค่ไหนต้องสอบถามดูก่อนถ้าเป็นคนงานแล้วก็ห้ามเด็ดขาดอย่าเอาเข้าไปจะเป็นใครก็าตาม ให้ฟังใ ห, ให้ฟังเอาไว้นะถ้าว่าจะไปทํากุฏิของหลวงพ่อนุ่นเข้าทางป่าช้าอนุญาตให้ทางเข้าไปทางนูน้นนะไม่ให้เข้ามาทางนี้พ่อพระอยู่ในะแวกนี้ท่านเดินอยู่กมทั้ง น, นั่งภาวนาของท่านเราจะมีอภิสิทธิ์ที่ไหนจะนั่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแป้นไปแป้นมาห้ามเด็ดขาดให้พระฟังเอาไว้นะจะเป็นใครก็าตาม หลวงพ่อบอกว่ามาแห้่ไรเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาหรือรถยนต์เข้ามาเว้นเสียจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษคนเฒ่าคนแก่คนป่วย mm hmm. เอออนนั้นเราอนุญาตนะต้องบอกเราซะก่อนนอกจากนั้นมาชาวบ้านเข้ามาเนี่ยห้ามเด็ดขาดจะเป็นใครก็าตามนะให้เข้าใจนะพระนะบอกหลายครั้งแล้วจนมีป้ายขึ้นมาแล้วยังไม่ฟังถ้าหากว่า ไม่มีเท่าไม่มีความสามารถที่จะอยู่สลานนะเราจะไล่ออกมันหมดมนพระในวัดเนว่าไล่กระทั่งคนที่เข้ามาอีกต่างหากอย่าเข้ามาวัดอีกต่างหากมันต้องรักษาช่วยกันรักษากฎ ก, ก, กติกาพวกพระอยู่ในวัดต้องการความสงบต้องการให้ภาวนาไม่ใช่ว่าต้องการวัตถุอย่างเดียวไม่ใช่นะให้พวกพระทั้งหลายฟังนะ วันนี้เป็นวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2560วันนี้ก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยมมาร่วมกันทาบุญถวายกระถินขององค์หลวงตานะวันนี้ฮู้ได้หลายกองอยู่ลูกหลานของตู้แว่นนะ ถวายมาสามสามกองเก้าพันบาทแล้วก็ผู้ที่ถวายกุฏิหลวงพ่อก็มีกลุ่มบ้านสวนนะสำนักชีทั้งบ้านสวนลูกหลานบ้านสวนถวายมาอีกสี่ห้าพันบาทเหมือนกันนั่นเนอือยเนี่ยให้ในบุญในหลายเ้อลูกหลานเนอะแลวก็พร้อมกัน เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้เช็คไปทางธนาคารยอดกระถินขึ้นมาเท่าไหร่<ม>หลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงเรื่องยอดกระถินมากกว่านะลูกหลานนะยอดกระถินบอกว่าได้ทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยวันที่ ส, ออสิบห้าสิบห้าส่อคศคมหกศูนย์เวลาเย็น เช็คเวลาเย็นนะใกล้คำนะในเงินหนึ่งล้านเจดแเก้่นสามพบาทก็ขึ้นมาส0 0แสนกว่าเมาื่นะอวานนี้นะเออพราะนั้นลูกหลานจัดทาญาติโยมอยู่นักสถานที่ใดนั่นแหละเรื่องกระถินสามัคคีเนี่ยนะหลวงพ่อจะอ่านยอดให้ทราบเป็นวัน วันนี้วเมื่อวานขึ้นมาสามแสนนัลูกหลานนะขึ้นมาสามแสนแล้วกระถินขององค์หลวงตาของเราแปดหมื่นสี่พันกองก็คงจะทยอยขึ้นเรื่อยๆเนี่ ย, ยวันนี้ก็น่าจะขึ้นมากเพราะวันเป็นวันเปิดทําการทํางานแล้วแต่ทุกวันนี่ก็อย่างว่าเหมือนกันนะลูกหลานเก่งทุกวันนเขาโอนก็โอนเงินทางโทรศัพท์นะ แต่ถึงยังไงก็อย่าโอนเพลินก็นแล้วกันนะโอนด่ไปเรื่อยปลที่สุดหาข้าวจะกินก็ไม่มีเพราะเงินหมดจากบัญชีไม่ได้นะลูกหลานนะแต่แต่แ ต, ตามไม่จริงคงจะไม่เก่งขนาดานะั้นขนาดโอนเงินโอนเงินทางทางโทรศัพท์ได้เลย ความคิดความอ่านของคงหยัดไหลตลบเหมือนกันนะเผ้อเจะกลับไปทางขี้เหนียวอีกต่างหากนั่นแหละวะ่าเพราะนั้นลูกหลานจะไปหาขี้เหนียวอีกน ะ, ะตรงพอพุทธนี้เท่านั้นให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบครอบอแล้วกันเนี่ยให้ทําบุญไม่ให้ขี้ตีทีเหนียวนะเนี่ยที่กระถินสมคติชื่อบัญชีนะ กฐินสัมมคีแปดหมพกองเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจดีหลวงตามหาบัวธ น, นาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารบงเล็บอุดรธานีเลขที่บัญชี7จ็ดสองหน <S <S ึ <S <S ่งสองสามหนึ่งแปขีดแนี่แหละ อันนี้ก็คือกระถิ่นสมัทกีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจัทตาญาติโยมลูกหลานแต่ลูกพ่อแนะนำหลวงพ่อมั่นใจจึงได้แนะนำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะหลวงตาเองเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้กับโลกมานานแต่บัดนี้หลวงตาจุตินิพพานไปแล้วพวกเราสร้างอนุสร์สถานอนุสาวรียิพิธภัณฑ์ ขึ้นมาจะผิดไปที่ตรงไหนเราบูชาพระคุณบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือองค์หลวงตาปุกกพระการีบุคคลผู้มีอุปกรกรพวกเราแสดงความกระตันญูกระตะเวทิตาต่อองค์หลวงตาหลวงพ่อแนะนาหลวงพ่อจะไม่กระดักไม่อายพูดเต็มปากเต็มคำเลย หลวงตาเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราจะระลึกถึงพระคุณของหลวงตาหรือไม่ถ้าผู้มีปัญญามากต้องระลึกถึงพระคุณหลวงตาได้มากถ้าผู้บุคคลมีปัญญาน้อยระลึกถึงบุญคุณได้น้อยถ้าผู้ไม่มีปัญญาเลยจะระลึกถึงบุญคุณใครไม่ได้นี่นะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ทําบุญ สร้างปุญสร้างกุศลเจ้องค์ลงตานะแล้วเมื่อคืนเมื่อวานมีการไหว้พระตอนเย็นะหลวงพ่อพาทําวัดเย็นพอทําวัดเย็นเสร็ si, ate, จแล้วหลวงพ่อก็ได้กล่าวธรรมะหรือว่ากล่าวสัมโธธนิยกถาถาหน่อยหนึ่งครับพอหลวงพ่อก็เหนื่อยเหนื่อยยังไงช่วงนั้นมัน ตินฟ้าอากาศจากนั้นก็หลวงพ่อก็ให้พระท่านเปิดเอ็มพีสามให้ศรัทธาญาติโยมฟังนะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยพอเปิดเทปหลวงพ่อก็เปิดแหนบเลยพอหลวงพ่อเป็นพระอินทร์ใช่ไหมไปสวงสวรรค์แลว้วงั้นไปหาพักพอเออพอ พ่อหลวงพ่อเหนื่อยเมื่อวานกับทั้งเมื่อวานก็น ท, นกนทั้งวันใช่ศรัทธา ญ, ญาติโยมมาไม่รู้กี่มูเออเอาปะลูกหลานหลวงพ่อกล่าวอะไรให้ฟังแล้วก็เอาตังอกตังใจประพฤติปฏิบัติไปเถอะนะและก็วันนี้นะหลวงพ่อลืมแจกหนังสือหนังสือธรรมะเนี่ยสันจุดจโกวาตเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะเดี๋ยว ให้พรเสร็จแล้วผู้ใด ย, ยังไม่ได้นะให้รับไปนะให้รับไปอ่านรู้สึกว่าโอ้หนังสือล่บนี้เขาคัดสรรมาเป็นฝีมือของพระนวกะพระลูกพระหลานที่เขามาบวชแล้วหลวงพอ่อไออ้าดีกว่าสุเจ้าจะนั่งอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆให้อ่านนะซิให้ไปคัดดูซิที่หลวงพ่อเทศนาว่าการไปตั้ง ร้อยกว่าแผ่นไม่ใช่ร้อยกว่ากันนะร้อยกว่าแผ่นแผ่นหนึ่งยี่สิบกว่ากันนะจะเป็นกี่กันไนะ อ, อ้ขัดสันว่าสิดูแล้วเขาคัดสันโอ้เข้าท่าของเขาทีเดียวนะใช่ได้ใช่ได้หลวงพ่อเห็นแล้วเพราะเขามีทั้งเอ็มพีสามด้วยนะเสียงหลวงพ่อเขายืนยันว่าหลวงพ่อได้พูดจริงไม่ใช่มัวเมียเอามาใส่หนังสือเฉยเฉยนะมีเสียงหลวงพ่อด้วยที่หลวงพ่อพูดนะ อ่าันตุจโกวาดแล้วก็เขาเขียนว่ายตาสอนพ่อพ่อสอนผมตาก็คือองค์หลวงตาเนี่ยสอนหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อก็สอนลูกสอนหลานต่อเขาเขาตั้งชื่อหนังสือได้ดีแล้วก็อ่านพิกพกอ่านดูแล้วก็มีรูปภาพ แต่รูปภาพมันอาจะมากไปสักหน่อยหลวงพ่อไม่ชอบทั้งรูปๆภาพแต่คนหน่อชอบนะชอบรูปภาพนะคนพอจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็ต้องพิกพิกเพกดูรูปเจ้าก่อนเนะี่ยเขค่อยอ่านเพราะงั้นเลยโดยมากเป็นอย่างงั้นมันยุคสมัยใหม่ใช่ไหมแต่หลวงพ่อน่ยคนโบราณไม่ชอบรูปๆเรีบๆนะแต่มีเนื้อหาสาระแต่ตัวหนังสือใหญ่ๆเขาก็ อ, อ่านอยู่เพอาะมันอ่านง่าย แต่ตัวหนังสือขยุ่มขยิบตัวเล็กๆเนี่ยเด็กขยี้ตาซะก่อนยังค่อยอ่านเนี่ยไม่ถูกกันกัะหลงพ่อนะเพราะนั้นผมพ่อเดี๋ยวนี้ใช้ปากกาเนี่ยเขียนอะไรหลวงพอใช้ปากกาไส้ใหญ่เลยนะเ <laughs> พราะลงตาหลวงพ่อแก่แล้วจยาปากา ก, ปากาเนี่ยจะประกาศเล็กๆมาหลวงพ่อจะไม่ชอบนะเอาปากกาตัวใหญ่ๆมาเขียนๆพอมันตัวเองมันมันตาทั้งตาด้วยทั้งมองเห็นด้วยทั้งๆที่เขียนกับ อ่านแต่คนอื่นเขาอ่านเขาคงจะลำคาญนะแต่จะทำยังไงได้วัยของหลวงพ่อนเป็นวัยชราแนละ้ววัยแก่แล้วนะแต่ถึงยังไงก็ตามจทธาญาจยมลูกหลานให้มองดูตนเองในปัจจุบันให้มองตนเองในปัจจุบันขณะนี้อนาคตจะดีได้ต้องออกไปจากปัจจุบัน ถ้าวันนี้เราทำเร็วเราทำชั่วนะเราไปตีหัวเขาไปขโมยหรือไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายทำที่มันผิดวินัยในเมื่อเราทำไปแล้วนะนั่นแหละสิ่งที่มันไม่ดีมันจะตามมาเพราะอะไรเพราะเราทำไม่ดีในปัจจุบันอนาคตมันจะดีได้อย่างไรเ อ, อมันต้องเข้าคุกเ อ, อมันโทษขนาดไหนอกีก เพราะนั้นเราในปัจจุบันเราต้องตรวจตราให้ดีในเมื่อตรวจตราในปัจจุบันดีอนาคตของเราดีไปเรื่อยๆวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยเพราะี่สุดมันก็ดีไปตลอดไปอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นทุกทั้งหมดแต่ยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานทั้งหลายไม่ได้มองอนาคตไม่ได้คิดวางแผนอนาคต อยู่แบบส บ, สบายๆอยู่กินแบบสบายอยู่แบบอิสระอยู่แบบนี่แบบธรรมชาติ <c oughs> เขาบอกก็สอนกันแนะนากันอย่าไปอยู่แบบกดดันให้อยู่แบบอิสระอยู่แบบธรรมชาตินะถ้าอยู่แบบธรรมชาติเราเกิดมาเห็นไหมเราเกิดมามันเป็นธรรมชาติไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมผลในที่สุดเราก็เลย อยู่แบบธรรมชาติพระนัสถุก็เลยนุ้งน้อยห่นนยมน้อยไปเรื่อยเลยนะแบบธรรมชาตินะมันก็ใกล้สัตยทัชฉานเข้าไปเรื่อยๆไหฮเพราะสัตยทัชานมันไม่มีมมเสื้อผ้านุ่งใช่ไหมเราเป็นมนุษย์อันไหนออพอเกิดมีปัญญาขึ้นมาแล้วนะรู้ควรจะคิดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีกฎกติกาอันไหนดีกฏกติกาอันไหนไม่ดี สิ่งไหนที่มันดีรู้ไหมดีถ้าไม่รู้ดีไม่รู้ถักกระทั่งดีไม่ทุง่งไม่รู้กระทั่งชั่วนะอันไหนควรไม่ควรก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้จะสอนกันยังไงอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันเกินกว่าที่จะสอนถ้าคนมีปัญญาก็ต้องสำนึกได้อันนี้เหมาะสมอันนี้ถูกต้องอันนี้ควรควรจะพูดอันนี้ไม่ควรจะพูดพูดไปแล้วมันผิด มันไเป็นที่สบายใจของคนทั้งหลายจะไปพูดทำไม เ, เมื่อทาออกไปแล้วไม่ทำให้ไม่สบายจิตใจพ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องเราจะไปทำไปทำไมมันต้องฝืนใจตนเองเอคนที่จะดีได้มันต้องฝึกหัดดัดนิดสัยของตนเองเพราะนั้นในพวกเราอย่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองใจของเรานะเน่อมันเกิดมา ก, กันนะจิตใจมันต่า เล็วต่ำชา ม, มาเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาไม่ได้รับการศึกษาในเมื่อเราเราได้รับการศึกษาเราก็กั้นกรองด้การศึกษาของเราเนี่ยที่เขาพูดที่เขาแนะนำสั่งสอนมานั้นน่ะมันถูกต้องไหมในเมื่อมันถูกต้องเราจะไปฝืนทำไมละแก้วพิจารณาดูแล้วถ้าหากว่าทำอย่างที่เราทำเนี่ย ทุกคนทำอย่างที่เราทำที่เราคิดแลวทาไปนะมันจะเป็นยังไงทำในอนาคตใช่ตัวเองเป็นหนุ่มทำขึ้นมาได้แต่ลูกตัวเองทำอย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่างอย่าทำอย่างฆ่าทำนะแต่ตัวเองทำพาเขาทำมาแล้วแต่สมัยเป็นหนุ่มแต่พอเขาเ้าแก่ชรามานะทำท่ า, เ, าเป็นท่าทำท่ า, ทาเป็นผู้มีสินมีธรรมแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กนะโอโ้โหยิ่งกว่าอะไรอีก <_ <d> _ <n> _>แต่ทีนี้พออายุแก่ขึ้นมาไม่อยากจะให้ลูกหลานเขาทำพาะตัวเองทำมาก่อนนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะ่ะให้พวกเรานึกทบทวนดูสิสมัยก่อนตื่นก็ตื่นสายขี้เกียจไปทำงานอีกพ่อแม่พูดไม่ฟังอีกต่างหากพอได้ลูกได้ได้ลูกออกมาพอได้ลูกออกมาอยากจะให้ลูกเป็นคนดีเหมือนกับลูกคนอื่นเขาไม่มองดูตนเอง พ่อแม่ก็ขี้ค้านขี้เกียจเหมือนกับลูกนี่แหละขี้เกียจไปเถอะนะลูกนะทำอย่างใจชอบเลยล่ะพ่อแม่เคยทำมาแล้วนะเอาอย่างใจเลยนะลูกนะมีพ่อแม่คนไหนพูดอย่างเงันบางสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดลูกหลานก็เหมือนกัน่นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ให้คิดให้ดีลูกหลานทั้งหลายเมื่อเราเป็นเด็ก เราต้องคิดถึงหัวใจของพ่อของแม่ถึงพ่อแม่จะไม่กล่าวก็ตามไม่ดุไม่ด่าก็ตามแต่สิ่งที่เราทำไปนั้นทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไหมทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ใจไหมทำให้สังคมชุมชนสังคมเขายอมรับได้ไหมสิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ในมวลมนุษย์อยู่ในมวลชนอยู่ในชุมชนถ้าตัวตัวเองไม่อาย ก็คิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาขนาญาติญาติมิตรสหายเราจะอายเราได้คิดไปไหมถ้าพ่อมันเสียหายขึ้นมาหายหัวต่มหายเงียบวางทีเลยจะทำยังไงได้ลกลับมาอีกเป็นอีกแบบหนึง่งสู้หน้าใครก็ไม่ได้มองหน้าใครก็ไม่ได้อายพ่อแม่ก็อายพี่น้องก็อาย องศาคณะญาติไม่อยากจะพูดถึงเลยไปไปเยี่ยมไปดูไปหลบหลบซ่อนซ่อนอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดต้องทําปัจจุบันให้ดีในเมื่อปัจจุบันดีดแล้วอนาคตก็ดีนะลูกหลานคณ า, าจารย์โยมพระเนนลูกหลานทุกองค์นะเพราะฉนั้นต้องทําปัจจุบันให้ดีในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นพระที่ดีอย่างหลวงพ่อ เ, เป็นเนนหลวงพ่อก็มองดู ก็มีอยู่บ้างแต่ว่าดูแล้วก็ทีงไหนที่มันคดโค้งนะที่มันไม่ถูกต้องเราก็มองดูจุดนั้นมันไม่ดีเราก็พยายามปรปับปรุงให้ดีขึ้น น, ะนี่แหละท่านเรามองดูเบื้องหลังกับปเป็นบทเรียนเท่านเองแต่เราจะไปแก้ไขมันแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านมาแล้วนะมีแต่แก้ไขในปัจจุบันอนดีตเป็นบทเรียนอนาคตยังไม่ถึง เราก็ต้องพยายามปรับปรุงในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่าให้มันมีปัญหาเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนะนี่แหละอันนี้คื อ, ค อ, คอการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ที่ยังไงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังลูกหลานทั้งหลายจ่าทายาตโยมพระเนรให้ฟังฟั ง, ฟงดูสิมันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไหมและก็วันพรุ่งนี้นะหลวงพ่อจะได้ออกแต่เช้าคงจะไป ฉันอยู่ที่โรงเรียนมัธยมของบ้านผือนะโรงเรียนอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมแหะบ้านผือเขาจะนิมนต์ไปหลวงพ่อไปเป็นนั่นแนหะทอดผ้าป่าโดนมอกโตมากหรงพ่อเนี่ยเป็นอย่างไงนนะลูกหลานนะทุกวันนี้นะทอดผ้าป่าสามกีเพื่อสร้างโดมหรือสร้างหอประชุมใหญ่แบบลังคาโค้งอ่ะนักเรียนมากนะเรียนเกือบสามพันห้อง มองประชุมไม่พอข อ, อนลพ่อไปเป็นประธานฝ่ายสงให้ดยเทินเอออ้าวหลวงพ่อก็คิดว่าอันนี้คือสาธารณะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะเป็นพระของพี่น้องประชาชนลูกหลานนะพอหลวงพ่อจะได้ไปล้วก็คงจะได้สมทบบ้างอ่ะจากนั้นตอนบ่าย ก็ได้ไปงานศพของโยมสสชุติชาติชํานาญศิลกำ น, นันชุตชาติเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีปพักูวัดกับวัดเรานะทศายาตโยมเนะีท่างอยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยเป็นป่าเนี่ยท่านก็มอบถวายมาตั้่ยี่สยี่สิบหไร่และ30สิไร่เนะี่ยที่เป็นป่าอยู่นะเพอท่านได้ยินว่าหลวงพ่อมาสร้างวัดที่นี่ท่านก็ถวายนะท่านก็มีน้ําใจท่านก็ ทำคุณประโยชน์ให้กับอํเาเภอนายูงน้ำโสมบ้านผือแถบนี้อย่างมากแต่ปบันนี้ก็ถึงจุดจบของท่านเหมือนกันท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อไม่กี่วันท่านจะไปชุมเพิกวันพรุ่งนี้แหละวันที่สนะิบเจะตอนบ่ายฮหลวงพ่อเขาคงจะได้ออกจากบ้านผือไปแล้วคงจะเปงงานศพของท่านแต่ทราบว่าเขาจะนิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมนะหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธเพราะท่านถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณ สำหรับวัดของเรารือหลวงพ่อและตลอดถึงพี่น้องประชาชนในเขตละแวกนี้นะก็คงพี่น้องคงจะไปมากอยู่ผลแก่อายุเจ็ดสิบกว่านะยมสสนะท่านมีพระคุณาจากนั้นเขาคงจะไปพักที่วัดท่านรัตนะนะวัดรวมธรรมยังไม่เข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้น อ, อีกหลวงพ่อจะได้ไปงานโรงเรียนอีกเหมือนกัน โรงเรียนพัฒนาการแถวบ้านจันโรงเรียนกินนอนอานนั้นก็ผ้าป่ามันกันเขาขึ้นจังเตนตั้งแต่เดือนอพฤษภามิถุนานะเขาขึ้นป้ายอยู่แถบนั้นไปเห็นอย่างเทเลทลาราหลวงพ่ออินมันงันะหลวงพ่อจะได้ทอดผ้าป่าเป็นหัวหน้าทอดผ้าป่าฝ่ายสงฆ์ทางฝ่ายครวาสก็มีท่านาท่าน พลโทที่เรียกว่าเสนวยขนาดท่านได้เป็นพลนโทนะ่ชาวบ้านก็ยังเรียกเสเสนวยอีกเพราะอะไรเพราะว่าติดปากติดคํามาเพราะท่านอยู่กับพวกเรามานานปีนี้ท่านจ ะ, กะเกษียณแล้วล่ะนะเต็นผู้การทหารเป็นพลโทแล้วท่านจ ะ, กะเกษียณปีนี้ท่านกับปีน้องลูกหลานเขาเอาท่านมาเป็นประธานหาทุนให้กับโรงเรียนน่ะ หลวงพ่อเออเอาเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานนะหลวงพ่อก็ไป เ, เสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้พอเสร็จแล้วหลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพนะลูกหลานนะขึ้นเครื่องวันที่สิปลงกรุงเทพจะไปพักที่สวนแสงธรรมสวนแสงธรรมนะกันนะญาติโยมเขาก็นิมนต์หลวงพ่อสามปีแล้วมั้งติดต่อกัน เ, เกี่ยวกับ ง, งาน คุณย่าคุณย่าคุณยายคุณหมอทิพวรรที่เจ้าของถวายสวนแสงธรรมกับองค์หลวงตานะั่นน่ะคุณคุณตาสกลุลแล้วก็คุณยายคุณหมอทิพวรรนะส้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะถ้าผิดแล้วก็เออเอาคอยว่ากันอีกนะหลงพ่อคิดได้แล้วก็พูดไปเลยคิดว่าน่าจะใช่นะแล้วก็ถวายที่สองแห่งสองแปลงแต่ไปฉันวันที่ 19นะมันตรงข้ามนะไม่ใช่สวนช้างธรรมตอกตรงข้ามแต่เป็นที่ของวัดสวนช้างธรรมเหมือนกันแต่สวนช้างธรรมประมาณ10กว่าไรนะสิบสองไร่บ่และตรงที่ตรงข้าม19ไร่ท่านถวายทั้งทั้งสองแปลงนะถวายองคหลวงตาทั้งสองแปลงนะหลวงพ่อยังตกใจในะสมัยนั้นนะโจมลูกหลานของกระทิงแดงมาพูดให้ฟังโอ้ท่านอาจารย์ผมผมโอนเงิน โอนที่ดินแปลงนี่นะถวายหลวงตาเพราะเขาถวายแล้วก็ไม่ไม่ได้โอนผมก็เลยโอนคงจะไปโอนชื่อหลวงตามะันจึงแพงขนาดนั้นนะ่ะถ้าเป็นโอนเขาเป็นของวัดนึงคงไม่แพงอันนี้โอนเป็นชื่อของหลวงตาเลยเนยะอที่แปลงนั้นนะ่ะดูฝังๆนะลูกหลานหลวงพ่อได้ยินแต่สมัยนั้นหลวงพ่ อ, อยังสะดุ้งเลยอค่าโอนอย่างเดียวสิบเก้าล้านเหมือนเขาก็เลยบอกว่า ท่านอาจารย์แต่มีใครถวายที่ดินท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์ให้เขาโอนด้วยนะให้กวนเอาให้เขาโอนพร้อมเลยเ อ, อเราจะไปคิดโอนเองนะ้ำโอ้แพงหลวงพ่อยังได้ยินหลวงพ่อยังโอ้โหค่าโอนมาขนาดนี้เลยนะนี่แหละอันนี้ก็เป็นที่ดินของหลวงตาก็เป็นผู้มีพระคุณสําหรับองค์หลวงตาเพวันนั้นหลวงพ่อเนี่ยมองๆดูแล้วจุดไหนที่เป็นพระคุณนะ่ะหลวงพ่อเขาจะได้ลงไปหลงไปใน นี่ไปทําบุญทุกวันครบวันมรณะของท่านทั้งสองตายายเป็นการทําบุญของลูกหลานเอาวันที่สิเกนะวันที่20สก็คงจะไปฉันที่โพชนาพักกิจโพชนาพักแล้วก็จากนั้นหงพ่อกคงจะกลับมาแล้วก็วันที่21เอ็ดเป็นวันข้าวประดับดินนักนาฏศัลป์ญาติโยมลูกหลานนะ ให้เตรียมพร้อมทางนี้อีกเหมือนกันพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็คงจะเข้ามามากบิณฑบาตในวัดในะวันนั้นประกาศบอกกล่าวนะให้พวกพี่น้องชาวบ้านมาใส่บาตรในวัดวันนั้นรอบสาราใหญ่เพราะเป็นวันสําคัญของบ้านเมืองพี่น้องประชาชนของพวกเรามาใส่มาใส่บาตรรอบสาลายาราใหญ่ข้างนอกนะเป็นวันข้าวประดับดิน นี่แหละแปลว่าเข้าพรรษามาก็เดือนครึ่งแล้วนะลูกหลานนะวันที่21เดือนครึ่งละแล้วลก็เข้าพรรษาสามเดือนใช่ไหมละ่ะพอสมเดือนนะวันเดือนเดือนเก้าดับเนะี่ยแปลว่าเดือนครึ่งอีกอีกเดือนครึ่งนะก็ออกพรรษานะมันไม่นานเลยแป๊บแเดียวท่านเองนะนี่แหละหลวงพ่อเล่าเก่าวให้ลูกหลานได้ฟัง หลวงพ่อไปเขาคงจะไม่กี่วันแต่ถึงยังไงเขาให้พระเนรลูกหลานทุกองค์ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทะเลาทลาะอย่าไปทะเลาะกันนะให้รักเมตตากัน<ม>หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาออกนอกจะออกนอกวัดนะลูกเหมือนกับพ่อแม่จะออกนอ ก, นอกบ้านให้สั่งเสียลูกหลานอยู่ดีมีสุขแล้วลูกหลานเนะ้ออย่าทะเลาะกันเนะ้อรักเมตตากันเนะ้อดูแลกันเนะ้อดูน้ําดูไฟเนะ้อดูบ้าน ดูคอบดูครัวน่าอย่าให้มีปัญหาในลูกหลานน้าลูกน้าอันนี้คือพ่อแม่ฮก่อนที่จะออกจากบ้านทานลูกจังเด็กๆไฉ่พ่อแม่ก็ยิงสอนลูกๆก็ยิงยิ่งลาคาญอีกต่างหากอันนี้คุ้มกันที่หลวงพ่อสั่งสอนบอกกล่าวเลยลูกหลานพระเองก็คงจะลาคาญหลวงพ่อเหมือนกันพ่อสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อกับบางทีก็ฟัง แต่มาทุกวันนี้นะลูกหลานนะมาทุกวันนี้ออยกมือทั่วหัวออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นห่วงแนะนําบอกกล่าวอร่วนและจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับเรานะนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายต้องเปิดใจให้กว้างต้องมองดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั้นให้มองดูอนาคตของตนเองจะทําอะไรต้องคิดนะถ้าไม่คิดมองดูอนาคตของตัวเองนะ่ะ อนาคตมัวมองอนอนาคตมืดมนอนอนาคตมืดบอดมันรวนแ้วจะไม่ดีทั้งนั้นแนะ่ะไม่ดีสำหรับใครไม่ดีสำหรับตนเองนั่นแหละกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วนั่นแหละจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้จำเอาไว้คำนี้นะ อาต่อในื่ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรและพรในทีี้นอะ